คราเมื่อครั้งสมเด็จพระพิชิตมานท่งคนพบโพธิยานอันยอดยิ่งตรัตรู้พระประมัตเป็นสัจจริงท่วนทุกสิ่งคือธรรมอันสัมมาเป็นที่ทรงทด้อพระหรทัยไม่คิดโปรดเวไนในโลกล่าด้วยพระธรรมล้ำลึกเหลือขนายากแก่สัตว์น้อยปัญญาจะยังรู้ ในวัดนั้นเท้าสหัมบดีพรมสงสารสัตว์ยังจมโอขะอยู่จึงด่วนถึงพระสยมบรมครูกราบทูลอ้อนขออินดูสัตว์บรรดาว่าโลกร้อนเหลือแล้วเกตแจ้วเอยขอจงเผยทำสถิตทั่วธิสาเหมือนโลกาธาตุจักพิรมร่มบุญญาขอกรุณาชุดชนให้พ้นภัยพระ ส่องยานเลงไปในบัดนั้นเห็นโดยพลันสัตว์แตกต่างทางนิสัยบ้างชั่วบ้างดีมีปนไปบารมีน้อยใหญ่ไม่เท่ากันทอดพระเนตรเห็นดังปฐุมมชติดารดาดดบึ่งบานต่างสีสันบ้างพนน้ำลำชอ่อรอสุริยันพอต้องแสงสุริพลันบานพิไล บ้างก็เป็นเช่นอุบนปริมรธุรีรออีกเพียงราตรีก็คลี่ได้ที่อยู่วางกลางกระแสชลาลัยพอจะพุดผลได้จากบวงมานบ้างก็เป็นเช่นเผาเหล่ากุมมุดอยู่ใต้สุดติดตมจมละหานเป็นได้เพียงพักษาเหล่าปลาพานจะคอยผ่านโวน้อยลงย่อยับทานเมตตาพระพิสุทธ์ แห่งพุทธองค์พระจึงทรงแผ่ไปในสรรพสัตว์ปวงนิกรโลกาขนานับจึงได้รับกระแสสัน้นแห่งทานธรรมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครูบาอาจารย์ไม่มีเท่านี้ไม่ได้ขอโอกาสน ะ, จ ะ, จะเจริญพรสัาย า, าติโยม ผู้ใครในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันแรกครั้งแรกที่ตมาได้มีโอกาสได้มาอบริษัท TOT ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำให้คนตาทิพย์หูทิพย์ก็คือบริษัทของพวกเรานเนี่แหละทำไมต้องบอกว่าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ยินใช่ั้มต้องอาศัยพวกเรานี่แหละนี่แหละก็เรียกว่าตาทิพย์จริงหูทิพย์จริง เห็นท <ME> ั้งภาพด้วยเห็นท <morning> ั้งได้ยิน <Lay> ท uh <ande> hm ั้งเสียงด้วยนะแถวหลังเป็นแถวพิเศษนั่นเนาะวันนี้มาครั้งแรกความรู้ก็เยอะแยะมากมายไม่รู้จะอะไรให้บ้างเมื่อเช้าเห็นสถาญาโจมาเยอะส่วนมากก็มีกรรมฐานกันทั้งนั้นเป็นกรรมฐานกันทั้งนั้นกรรมฐานแปลว่าฐานในตั้งใจการงาน การงานยังไงก็พวกเราดูโทรศัพท์กันต่างคนต่างก็ดูต่างคนต่างก็มีกรรมฐานกันแทบทังนั้นอันนี้ว่ากรรมฐานเนี่ยนะเออมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วนะมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่สนใจใครแล้ววา่างันเถอะนี่คือกรรมฐานแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะ่ยทีนี้พวกเราจัดงานเนี่ยก็เลยเอาปรารบเรื่องวันวิสาขะซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้อาจมาโคนผมแต่เมื่อวานนี่นะเออเพราะว่าเขาไม่ให้เอาอ่า ใบเม็ดโกนขึ้นขึ้นเครื่องเคยต้องกรวดที่วัดนะวันนี้สาขาวันพรุ่งนี้คําว่าพวกเราจัดงานเพื่อบูชาวันประสูตรตรัสรู้และพระนิพพานของพระพุทธเจ้าคําว่าบูชานั้นมีสองอย่างนะพวกเรานะบูชามีสองอย่างก็คืออามิสบูชาที่เราบูชาด้วยดอกไม้ของหอมของหอมอเครื่องย้อมเครื่องแต่ง หรือว่าดอกไม้ตูกเพียนบูชาข้าวปลาอาหารอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอาภิสบูชาแล้วก็ปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามซึ่งอันหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญมากวันที่พระองค์ทรงจะพระนิพพานพระองค์ก็ทรงตรัสแจ่พระอนทนเรื่องปฏิบัติบูชานะวันที่พระองค์จะ อาประนิพานนะมีดอกไมา้จากสวงสวรรค์ดอกไม้ทิพย์เรกว่าดอดอกมณฑารบโปรยปลายลงมาดอกไมใ้ใหญ่ใจมากเต็มบริเวณนะอุทยานนั้นนะพระองค์พระอาน น, นุ์ก็กล่าวแบบสารเสรือนุโฮเนี่ยเทวดาบูชาพระองค์ตรงนั้น ย, ยินดีเหลือเกินพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงตรัสดูก่อนอา น, นุ์อาบิสบูชาเราหาสารเสริญไม่แต่เราสารเสริญ ปฏิป ฏ, ปฏิบูชาคือถ้าใครนำทาคำสอนของพระองค์แล้วไปประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเชื่อว่าบูชาอย่างยิ่งวันนี้ตมาก็จะพูดถึงเรื่องยกธรรมะสักหมวดหนึ่งว่าพวกเราจะบูชาพระพุทธเจ้าอย่างไรหรือว่าลูกหลานจะบูชาพวกเราอย่างไรนะพวกเรา บูชาผู้มีพระคุณอย่างไรนะคารวจะนิวาโตจะสันตุที่จะกตันยุตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตมังครมุตมังอันนี้เป็นบทเป็นหมวดหนึ่งของพระปริศนะมงคลสามสิบแปดประการตั้งแต่อาเซวนาจะพาละนังปันิทานจะเซวนาปูชาจะปูชนียนานังเห็นไหม นะการไม่ควบค้นผานเป็นมงคลสูงสุดการค้ บ, บัณทิตเป็นมงคลสูงสุดบูชาบุคคลผู้คนบูชาเป็นมงคลสูงสุดเป็นต้นแต่วันนี้จะเลือกเอาข้อที่ว่าคะคารวจนิวาโตจากสั้นตุที่จะกตัญยุตากาเลนธรรมะสาวนังเอตมังครมุตตมังทำสี่ข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดในมงคลสามสิบแปดประการนะเราอยากจะบูชาพระเจ้า ด้วยการบูชาอย่างยิ่งก็คือปฏิบัติเอาลองพิจารณาทหมด3า่า4ีบทนี้สามข้อนี้ไปลองพิจารณาดูคาระวะจะคือความเคารพนะไม่ใช่พวกเรานะเราสามารถที่จะไปบอกไปกล่าวลูกหลานบอกกล่าวญ า, าติพี่น้องได้เลยว่าการสัมมาคารวะมันเป็นมงคลสูงสุดอย่างไรนะพวกเราเห็นใครที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับเรามีความาามีสัมมาคารวะ ตอบผลักผูใหญ่เรารักไหมก็รักทันทีเลยนะไม่มีใครไม่รักไม่มีใครไม่ไม่ตาสงสารนะอันนี้เป็นต้นนะเพราะเราสังเกตดูนะว่าผู้ที่มีปุญญาที่การมากมายทำไมท่านมีความบสมมาคารวะ <c oughs> ถ้าจะกล่าวถึงในหลวง ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่อท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพคารวะแปลว่าเคารพนะคารวะเนี่ยน่ะแปลว่าเคารพคารวะนระวป็นี่ืปลว่าเคารพในใครล่ะในพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราจะเคารพหรือว่าบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เรานำทำคกาสอนของพระเจ้าแต่ละบทละบาทไม่มีใครไม่รู้หลอกธรรมะเยอะแ ย, ยะมากมายที่พวกเรารู้นะแต่มันขาดอย่างเดียวทานใครไม่รู้ศีลใครไม่รู้สมาธิไอมาภาวานาเนี่ยใครไม่รู้มาถามหน่อยเถอะรู้กันหมดใช่ไหมรู้กันหมดทานศีลภาวานารู้กันหมดเมื่อเช้าหลวงปู่ท่านก็พูด ถึงเรื่องศีล น, นะคาว่าความเคารพต่อกันและกันเนี่ยอย่างพวกเราได้รับความเคารพจากลูกหลานเป็นไงมีความอ่อนน้อมต่มตนเชื่อถ้อยฟังคำว่านอนสอนง่ายมีอะไรก็จะทุ่มให้หมดนั่นแหละใช่ไมอันนี้คือความพื้นพื้นเองนะแล้วมันเป็นเบื้องต้นของทมทั้งหลายด้วยนั่งใกล้พระนิพพานเลยนะพวกเรานะคารวะเนี่ยคารวะหกคือนั่งใกล้พระนิพพาน คารวะเจ้าโยมพวกนั่งใกล้บาพานพันธุคารวะมีะมีกี่อย่างมีหกอย่างมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาในความไม่ประมาทในการปฏิสันถานต้อนรับเหมือนที่พวกเราต้อนรับครูบาอาจารย์เนี่ยนะโอ้ต้อนรับอย่างดีเลยนะดูแลเอาใจใส่อย่างดีมีผู้บริรับบริการรับใช้ยอย่างดีหมดเลยนะแล้วแล้วก็นในความไม่ประมาทประมาทในชีวิตความเป็นยอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมานะ ผู้นั่งใกล้พระนิพพานแล้วก็เป็นมงคลสูงสุดอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องไปรู้มากหรอกแต่รู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็แนะนำลูกหลานได้โดยเฉพาะเคารพในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างที่พวกเราทำกันนี่แหละนะเป็นมงคลเป็นความเจริญนะแล้วใครที่ไม่มีความเคารพกตถาพวกเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไมมีความกระด้างกระเดิง แค่เห็นแค่เนี้ยพวกเราก็ลงข้อความลงอะไรต่อเมื่อไรที่เห็นเขานุ่งสั้นผมสั้นไปกราบพระเงี้ยพวกเราก็ต้องมนีตีโทษอย่างใหญ่หลวงไม่มีความตัมมากระวะไม่รู้การาทิสะอะไรต่างๆพวกเราก็บนก็ว่ากันใช่ไหมอันนี้มันเด่นมันชัดใช่ไหมแต่คาราวะลึกๆคือหมายถึงว่าเราเชื่อถ้อยฟังคําถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็เชื่อถ้อยฟังคําพวกพวกเราอย่างเงี้ยเป็นครูเป็นอาจารย์ลูกสิษย์ก็เชื่อถ้อยฟังคาํ า, ค า, าคมีความเคารพ แล้วก็มีความตั้ง อ, อกตั้งใจที่จะทำตามอย่างเงี้ยเป็นมงคลสูงสุดเช่นเนี้ยใครไม่ได้ยินใครไม่เคยได้ยินได้ยินหมดนั่นแหละนะอันนี้ข้อหนึ่งนะคาราวะจะนิวาโตจะสั้นตุทีจะกรตันยุตาถ้าพูดถึงสั้นตุที <c oughs> อัตมาก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่องของปีติในความดีเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็เราก็นึกถึงงหลวง สันตุธีก็แปลว่ายินดีพอใจนะยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ถ้าพูดนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละนะยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เราตั้งใจทํางานทําการนะคนเรามีปัญหาในเรื่องของการทํางานมีปัญหาเรื่องผลมากมายมหาศาลจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากขนาดไหนก็ช่างอาตมาได้รับเรื่องเราจะผู้มีความรู้มากเยอะแยะมากมายไม่รู้ ที่จะแก้ปัญหาชีวิตในการทํางานตั้งอกตั้งใจขยันขันแข็งในการทํางานนะแต่ว่าขาดขาดอะไรขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติใครทําแล้วใครใครตั้งใจทํางานแล้วแล้วไม่หวังผลมีไหมไม่มีมีหมดครวาดไอ้ชาวเลือกสวนไรนาก็ะเมื่อนกันนะแต่เลือกสวนชาวสวนชาวนาเขาบางบางคนบางท่านเขาก็เข้าใจธรรมชาตินะ ทำไมอะ่ะนะเข้าใจธรรมชาติไหมว่าบางปีมันแล้งอย่างเงี้ยเขาก็ได้ตามมีตามได้นั่นแหละบางปีมันน้ําท่วมอย่างเงี้ยการตีอกชกตัวเดือดร้อ น, นวุ่นวายเขาก็น้อยนะทำไมเพราะว่าคบทำอย่างนั้นมานานแล้วเห็นธรรมชาติเป็นเป็นปกติแต่ทีนี้ข้าราชการก็ดีนาการเมืองก็ดีหรือว่าบรษิษัทห้างร้านต่างๆก็ดีเอกชนก็ดี จะมีผิดหวังในเรื่องของไม่เข้าใจธรรมชาติไงใครทําแล้วไม่อยากได้มีมันไม่มีแล้วความอยากของเราเนี่ยมันได้อย่างที่เราอยากไหมนี่แหละคือปัญหาเรื่องเล็กๆในน้อยใ น, ยนยแหละว่าเออมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ทุกทุกเรื่องไปนี่ถ้ามันได้ยังทุกคนอยากเพราะเราคิดว่ามีมีคนผิดหวังไหมมีจะมีคนจนไหมไม่มีคนยากคนจนมีแต่คนร่ำรวยมีแต่คนสมบูรณ์หมดทุกคนใช่ไหม ไม่งนันมันก็ไม่เป็นโลกหรอกอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าความเข้าใจในธรรมชาติตามมีตามได้พระองคง์ทรงตรัสอย่างนั้นเลยนะสันจุดทีไปว่าความสันโดษยินดียินดีพอใจตามมีตามได้คือปรัตญาพอเพียงของในหลวงเรานี่แหละเออพวกเราก็ศรรึกษามาเยอะแต่มทําไมในหลวงจะไม่ฉลาดจังอะรู้แล้วออกมาปรพกษาปฏิบัติแล้วมันเป็นจริงๆด้วยธรรมะแต่ละบาดระบาดมีผลจริงๆงด้วยถามว่าถ้ารู้จักพอเพียงรู้จัก ตามมีตามได้เราจะมีความทุกข์ไหมเออก็ไม่ทุกข์ทำไมอ่ะเอาเราเป็นผู้บังคับไม่ได้นี่เราเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์สิ่งต่ตางๆไม่ได้ดังใจเราแม้แต่ปริญนขาประธานให้เราไม่ได้อย่างเงี้ยทําเต็มที่นะพวกเรานะทําการทํางานทําเต็มที่อย่าไปเล่นอย่าไปอนอกกรีดอย่าไปคอร์รัปชั่นเวลาไม่ใช้คอร์รัปชันเงินทองอะไรหรอกเอาคอร์รัปชันเวลาเลยว่าคอร์รัปชั่นการงา น, งานเราเนี่ ย, ยตั้งใจทําเต็มที่ ม า, ดาได้ตัวไรก็เท่านั้นเข้าใจว่างั้นเถอะถามว่ามีความทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยทําไมเอา้าก็มันไม่มีใครที่จะไม่อยากได้ไม่มีใครที่ไม่ต้องการเนี่ยมันต้องการหมดแหละแต่มันไม่มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยอย่ า, างถามาซื้อหวยจะต้องการไหมตัวต้องการหมดจั่แหละซื้อหวยนี่ยนะร้อยคนมีสักถูกสักกี่คนไหมไม่เออทําไมทําไมมันไม่ถูกอ่ะทุกคนก็อยากเนี่ยนั่นหละคือธรรมชาติ พรองค์ท่านบอกว่าให้ทั้งใจทํางานทุกคนมีหน้าที่มดเราทำงานไอ็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นะสองสมวันที่ผ่านมาก็อบรมพระเนรดุหน้าที่ของพระองค์เนรก <c oughs> ็ง่ายนิดเดียวเตืง่ายนิดเดียวบินถ้บบาผัดผัดกวาดฉันเสศษปัดกวาดเจ็ดถูเดินจงกลมนั่งสมาธิสดมนลภาวนาเนี้ไม่ต้องทอะไรเลย แล้วทุกวั น, นี้ไปทําอะไรหรอกทุกวันพี่ทําอะไรนะมันก็ทุกข์ก็ร้อนนะที่ถ้าเราไม่ทําหน้าที่ของตัวเอง <c oughs> ร่างกายเป็นพระหัวโลนแต่ว่าจิตใจเป็นโยมเครื่องพระเครื่องโยมเครื่องบกเครื่องน้ำอะไรเงี้ยมันจะมีความสุขได้ไงเนเมื่อเราทําไม่ได้ตามโยมเหมือนโยมอย่างเงี้ยความอยากนะอันนี้อบรมเนียนพระเนนมาแล้วนะเราทําหน้าที่ให้เต็มที่ นะผลเป็นยังไงนั้นเราบังคับไม่ได้ให้รู้จักพอเพียงให้รู้จักนะความเป็นอยู่ที่เรียกว่าตามมีตามได้นะใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟื้อยนะโทษของมันก็คือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเปืดเครื่องอย่างเงี้ยเืดเครื่องน่คงจะน้อยเศรษฐีกินน้ำปักดองคงไม่มีแล้วนะเอ่เฟืดเครื่องนะฟุ่มเฟื้อยพู้เจา้าตรัสอย่างนั้นถ้าเรารู้จัก นะใช้ทรัพย์สมบัติยิ่งทุก ว, วันนี้เศรษฐกิจมันเริ่มแย่ลงแล้วเราก็ต้องควรที่จะระมัดระวังให้มากในเรื่องการใช้จ่ายอนาคตมันไม่แน่ทุกอย่างทุกคนต้องตอบว่าไม่แน่แน่นอนเลยนะเราได้วันนี้เราได้ปีนี้แต่ว่าปีหน้าหรือว่าปีต่ อ, ตอไปมันอาจจะไม่ได้ไม่ดีมีเมืองหนึ่งนะมีภาคนึงเขามีพลอมีเพชรเยอะ มีพลอยนะไอ้ช่วงที่พลอยเยอะๆนี่โอ้โหยเขาบอกว่าสุนักน่ะยังน้อยกว่าอเซียเลยอาเซียเยอะกว่ามีตั้งแต่อาเซียทั้งนั้นตอนได้มาโอ้ั้นเล็กๆหมู่บ้านเล็กมีโรงหนังโรงละครเลยนะเออมีโรงหนังโรงของมีเครื่องไอ้กลางคืนที่จะละเล่นกลางคืนนีเยอะแยะมากมายมีบางคนนะชาวบ้านเขาไปบนให้ร่ำรวยแต่คนนี้รวยมากไปบนให้จนว่างั้นพวกเรา เออไปบุญให้จนทำไมต้งเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอมันได้วันละสองแสนสามแสนขนาดนี้ไม่จะจนได้ยังไงว่างั้นได้ทุกวันทุกวันไปบุญให้จนก็ อ, อาจจะประชดชาวบ้านชาวช่องอ่ะนะนะเขาจนจริงๆนะเห็นไหมเขาจนจริงๆคําว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าได้เท่าไรตามมีตามใช้้เต่านั้นไม่ใช่รู้จักบริโภคสมบัติเห็นไหมตระกูนที่มั่งคั่งตั้งอยู่ไม่ได้นาน นะเพราะไม่ซ่อมแซมพัสดุที่หายเออไม่สแสวงหาพัสดุพัสดุที่หายไม่ซ่อมแซมพัสดุที่คร่มคร่าตั้งบุรุษและสตรีผู้ทุศีนเป็นพ่อบ้านไม่เรือนนะแล้วก็ไม่รู้จักบริโภคทรัพย์ ส, บสมบัตินะี่อย่างเงี้ยนะคำว่าพอเพียงก็คือรู้จักการใช้เวลาค่ารถขึ้นในพวกระบนกันนะ ถ้าจิตประตังบาทเลยโว้ยบ่นกันบ่นบนแต่เรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องโทรศัพท์ไม่รู้กี่เครื่องกี่หมื่นกี่พันเั็กเด็กโอ้โหมากมายกลายกองมหาศารแล้วทาลายสติปัญญาเราด้วยนะพวกเราเชื่อไหมว่าเด็กป .6 อ่านหนังสือไม่ออกวันนอกเจนบทนี่นะป .6 อ่านหนังสือไม่ออกเกินครึ่งผู้หญิงอ่านออกบ้างแต่ผู้ชายอ่านไม่ออกแปลว่าไงมันติดเ ก, เกมว่างั้นเออไปเล่นเกมกัน ใช่หไหมแล้วพ่อแม่ก็เอาใจทุกอย่างแม้ทางชั่วทั้งต้องจํายำเ ย, ยงและเกรงกลัวงองลูกตัวกลัวทํำให้ําใจไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่กล่าวไม่ตีไม่เหมือนพวกเราสมัยยุคพวกเรายุค พ, พวกเราต้องตีใช่ไหมธรรมาแก่แล้วนะม <c oughs> ออายู่มากแล้วยุคนั้นต้องตีต้องด่าต้องว่านะอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงลองปีที่พิจารณาลองดูนะชาวบ้านชาวช่องมื้อเช้านี่เองนะ ลูกหลานโทรมาเออวไม่มีเงินผ่อนรถนะหลวงนาช่วยบอกช่วยผ่อนให้หน่อยเออฉันไม่ได้ขับไม่ได้ขี่จะให้จันผ่อนได้ไงเอาเมื่อคืนนี้เองสดสดร้อนๆเงินเดือนคุณหมื่นกว่าบาทคุณไปดาวรถมาอย่างเงี้ยผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทอะไรมันจะเหลือมันจะเหลือได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่ไปหมดต้น อ, อปีที่แล้วผ่อนเข้าพรรษาไปแสดงธรรมที่ปักใต้นะที่ที่เจ้าคนาจังหวัดอดีตเจ้าคนจังหวัด มีโยมมารับเป็นหมอมารับมาส่งเขาก็พวดใน้ฟังเนี่ยอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาจองรถเนี่ยที่อย่างมันแพงอะนะเขามีเต็นต์จองรถนาอาจารย์ไม่ใช่เต็นต์ขายรถมือสองนะว่างั้นจองรถยี่ห้อหนึ่งโอ้โหอั้งเต็นต์เลยไม่มีโชว์รูมเพราะอะไรเพราะมันเยอะแล้วปีเดียวนี้เป็นไงนะเพราะวเดี๋ยวนี้ก็เต็มเปลี่ยนจากเต็นต์จองมาเต็นต์รถมือสองเห็ไงไงนไหมพวกเรานะ ลำบากทีเนี้ยบางคนค่าตัวตายได้ยินข่าวไหมเขาไม่ได้คิดไงว่าอ่าภายข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรจริงอยู่ที่ผู้องค์บอกว่าปัจจุบั น, นันจะโยธรรมังตัฏะๆๆๆๆๆตัฏฐัยปสติส่วนผู้ใดเห็นทํามันเกิดขึ้นเฉพาะใ น, นนิทนที่นั้นนั้นไม่ต้องทํำจนลึกทําเบื้องเพียงลึกไงผู้องค์ยังตรัสอยู่ไม่เที่ยงไม่ใช่หรือว่าเราเป็นอยู่ขนาดนี้ดีต่อไปมันเป็นไงมันไม่เที่ยงไงผู้องค์ก็ต้องตรัสอันนี้แยกแยะ ก, กันคนละส่วน ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีทั้งขี่ปฏิบัติคือทำสําหรับค า, ารวะแล้วก็ทำสำําหรับบรรณจิตตลอดสำนนท์สัญญาอย่างเงี้ยในพวกเรานะถ้าพวกเรารู้จักตรงนี้แล้ ว, วเราทําตัวเป็นตัวอย่างทํานะความเป็นอยู่สบายไม่มีปัญหาทําไมเอา้าเราทําเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วรู้จักด้วยนะไม่ใช่ว่าพวกเรามีเท่าไหร่กินหมดปากล้นก้นรั่วไม่ใช่อย่างนั้น นะต้องรู้จักแบ่งนะรู้จักใช้รู้จักความเป็นอยู่ของตัวเองเอาถ้าพูดอย่างนี้พวกเราก็บอกได้เลยว่าโอ้ยถ้าพูดอย่างนี้อาจารย์มันก็เป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองทีใช่แน่นอนเลยเราชาวพูดแท้แต่ไม่เอาเพร ะ, พร ะ, พระทําคําพรสอนของพระเจ้าไม่ไปประพฤติปฏิบัติลองดูถ้าประพฤติปฏิบัตินะพวกเรารับรองนะรับรองร้อยเปอร์เซนเลยว่าความเป็นอยู่ของเราจะมีความสุขคนรวยคนมีเงินมีทอง พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าคนยากคนจนความสุขจะต่างกันไม่ใช่คนร่ำรวยเงินทองนั้นท่านเรียกว่าอำนวยความสะดวกเฉยๆนะอำนวยความสะดวกพวกเราไม่เคยได้ยินข่าวหรือร่ำรวยมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันยั่งชิงกันเห็หนไหมลูกศิษย์ลู ก, ลกหาเขาเริ่มบางคนนะเริ่มต้นตั้งแต่เงินเงินสองสมพัน พอมีเงินมีทองขึ้นมาโอ้ยเป็นร้อยล้านเนี่ก็มาบ่นให้ฟังเออมาบน่นมาบ่นให้ฟังว่าโอ้ยอย่างนั้นนี่ก็ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะไอ้ลูกน้องเราได้เท่าไรลูกน้องเราได้เงินเท่าไร่ก็จ้างสามร้อยคนมันทํางานหนักไหนะก็ห้าร้อยเออห้ารอยก็จิ้นเหล้ามายามา่อนี้ยออจินเหล้ามอยาสองทุ่มทุ่มสองทุมพรก็นอนหลับแล้วแล้วคุณเงินเงิดคุณเท่าไหร่ในวันละสองสามแสนนะ วันนะวันนึ่งนะขายของนี่นะแล้วคุณนอนจตออีตุ้มโอนห้าตุ้มหมกตุ้มยมนอนหลับแล้วจะหามาทําไมเงินมาบอกเงี้ยจะหามาทําไมหาแล้วให้เงินเป็นมาเป็นอ่าเป็นอําเป็นเจ้านายเรามาบางังคับให้เรามีทุกข์หามาทําไมเออนั่นน่ะจีว่างั้นเมื่อก่อนคุณเป็นอย่างเงี้ยไหมไหมนี่ไ ง, ไงบอกว่าเงินทองทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่านําความสุขมาให้ฝ่ายเดียวก็เรียกว่านําความอ่าสะดวกมาให้ คือพร้อมกับชาวบ้านจอช่องแต่ถ้าผู้ใดเข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องที่บอกว่าเนี้ยคนจนก็ทํามีความสุขตามความจนความจนไม่จะเยอ่อใยานได้เท่าไรก็เท่านั้นอย่างเงี้ยสิ่งที่อยากสิ่งที่หวังนั้นอัตมาเพิ่งเทศมาที่เจร า, ามันเป็นอกุศลละมูลความอยากน่ะพวกเรามันเป็นอกุศลมันเป็นบาปท่านว่างนี้นะความอยากน่ะถ้าเราสละตัวนี้ได้วูบเป็นบุญทันทีเลยแล้วมีความเจริญเกิดขึ้นเลยทันทีเลยเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านพาทำ พวกเราไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ธรรมนกับท่านเยอะแยะมากมายแต่ว่าท่านไม่มีว่าบัญชีในเงินีนทองนีนบัญชีเลยนะทําไมจะมีได้ไง่ายบางทีเนี่ยได้ล้านหนึ่งตอนเช้าตอนเย็นมาแล้วกรามวิารสามล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมที่นั่นกรมาขอที่นี่ก็มาขอคือท่านไม่ได้เก็บได้งําไว้เลยว่า ง, งั้นเถอะช่วยศาสนาช่วยประเทศชาติมากมายกลายกองก็เพราะความสละนี่แหละแล้วคนสละก็ไม่ใช่จะ ย, ยากจนเลยนะเออไม่ใช่ใจยากจนยิ่งให้ยิ่งได้มันแปลกนะ เอออัศจารย์ก็คือเนี่ยโอ้ที่จริงมันน่าจะสะสมมันน่าจะรวยไม่ใช่สะสมมันก็เหมือนกับดีไม่ดีมันเหมือนกับไปน้นําในสระที่มันไม่มีการถ่ายเทครูบาอาจารย์ถ้าเปรียบอย่างนั้นน้ำเป็นไงได้ไม่มีการถ่ายเทเป็นไงเออมันเน่ามันเสียว่างั้นเออใช่คำว่าเน่าเสียในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเงินทองเราที่ได้มาเนี่ยนะได้มายิ่งยิ่งมีความตระหนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็มีตัวอยา่างเออพนักงานนี่แหละ เป็นแอร์ตอนที่ยังไม่เป็นหัวหน้านะด้วยเงินห้าหกมื่นแอร์ต่างประเทศแอร์แอรเสเตทนะนะพอเงินเป็นเงินเป็นแสน้เนี่ยเฮ้ยแตนีกว่าเก่าว่างั้นอ้าวเป็นทำไมเป็นงั้นหรืพวกเราเออแปลกนะแทนที่ว่าเราจะมีความเบิกบานในการที่ว่าโอ้เรามีเงินเยอะทําบุญได้เยอะเต็มที่ใช่ไมเดยมีโอกาสที่จะสร้างคนงามคนดีได้เยอะไม่ใช่ทําให้กี่ซ่องมองกว่าเดิมอีกเห็นไหมนะจะมาเปรียบเทียบเหมือนกับต้น จะอมหรือว่ายอดผักบุ้งผักบุงเนี่ยปล่อยให้มันง่ามแล้วก็ปล่อยไปนะไม่ไม่กล้าที่จะเด็ดประจินนะมันก็ยังไม่ออกไม่งอกไม่เงยเลยนะถ้าไปตัดนะตัดตัดตัดเดี๋ยวโอ้โหมันแตกขยายเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมายต้นจะอมของมันกันไม่ต้องกลัวมันตายผลไม้ของมันกันผลไม้ที่จันที่ตราดเนี่ยแตามายอยู่ตราดนะ่ะอุ้ยพอเขาเจ็บผลไม้เสร็จนะเขาตัดผัดคมๆเลยไอ้เราก็เฮ้ย แล้วจะตัดทําไมจะไปเปลี่ยนต้นใหม่แล้วมันแก่แล้วเปล่าอาจารย์ไม่ตัดมันจะได้กินหรือว่างั้นไอ้ถ้าเป็นง้อเขาไปเขาเผาถ่านได้เงินจากถ่านอีกทีเนี้ยเราอีกปีต่อมาเาก็ได้กินมะม่วงอยู่ที่วัตดตะมานี่มันมันขึ้นโดยที่มันขึ้นเองหรอกไม่ได้ปลูกหรอกบางปีก็โดโดหลงพ่ออีกขันมามันจะไม่ขึ้นเพื่อนบอกว่าอ๋ออาจารย์นะต้องแต่งกิ่งว่างั้นต้องตัดดังนั้นเออมันเป็นจริงๆรนะนี่คือธรรมชาติความตรรณีทีเหนียวของเราเนี่ยนะ นะมันเป็นมนทินพผู้เจ้าก็ตรัสอยู่แล้วมนทินน่ะมีความโกรธมีความตรนีที่เหนียวลุกหลูกคนท่านอิจฉาลิษยาตรณีนี่ข้อหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนทินดังนี้เป็นต้นนะอันนี้เขาว่าสันตุถีปรมังทนงังพวกเรารักพวกเราเคารพในหลวงทําไมไม่ประพฤติ <c oughs> นําโอวาทของพระองค์มาไปปฏิบัติตามลองดูในหลวงของเราจะมามอง โ, องโดยโดยใจของตัวเองเองนะ ศึกษาดูว่าผู้พระองค์นี่เป็นพระโพธิสัตว์ลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆเลยไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนจากใครเลยพระองค์คิดว่าพระองค์ทํำแล้วเป็นการสร้างบ ร, รมีของพระองค์พระองค์ทําแล้วมันเกิดประโยชน์นะสันตุทีอันนี้ก็ทับอยู่แล้วในหลวงเอามาบอกมากล่าวพระโสนิกรของพระองค์นะจกกักรตันยุตตาจักตันยุตาคือความกตันอยู่ มันไม่ตรงกันกับมาตาปิตุอุปัทธานางปุตตะธารสสังซังห้อรืออาจารย์การบุรุงบิดามานดาเป็นมงคลสูงสุดเนี่การกตันดูมันไม่ตรงกันหรือมันจะไม่ซ้ํากันเหรือเปล่าคําว่าจะกระตันยุตตาเนี่ยแปลว่าตอบแทนท่านผู้มีอุปการะกตันยูแปลว่าตอบแทนนะพวกเราเอออุปการีไม่ใช่บิดามันดาบุปการีเนี่ยเป็นคํากลาง แปลว่าผู้มีอุปการะผู้ทำอุปการะก่อนอา้าวถ้าว่าใครพูดอย่างนี้มันก็ต้องทั้งหมดเลยสิใช่ไหมพ่อแม่เป็นผู้ผู้มีอุปการะคนแรกแล้วมีคำถามนะพวกเราตอบปฐมมาลองดูนะถ้าจะได้ข้อกระจงังพ่อกับแม่ใครมีบุญคุณมากกว่ากันตอบในใจนะ <c oughs> เออพ่อแม่ใครมีบุญคุณมากกว่ากัน ทุกคนก็จะตอบว่าเป็นแม่น่ะมากกว่าลำบากลำบนใช่ไหมร้อยเปอร์เซนจะว่าแม่นถ้าตะามา จ, จะถามว่าสมมติว่าพ่อแม่อย่าร้างกันนะเออคลอดออกแล้วแต่เก้าวันทิ้งลูกให้พ่อเลี้ยงใครมีบุญคุณมากกว่ากันเห็นไหมถ้าสมมติว่าหญิงบริการไม่ใช่ไม่ใช่สมมตินะมันมีมานานมาเห็นนะ ยิงบริการเขามีลูกแล้วเขาให้ยายเลี้ยงใครมีบุญคุณมากกว่ากันเห็นไหมพวกเราผู้มีอุปการะพุทธเจ้าให้ความยุติธรรมที่สุดไม่ใช่ว่าอะไรก็แม่แม่ใครเลี้ยงดูนั่นแหละถ้าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูคนอื่นมาเอาลูกเราเราไปเลี้ยงลูกเขาจะมีความรักในพ่อในแม่ไหมไม่มีเลยเขารักใครเขารักผู้มีอุปการะเขาคือคนที่เอาไปเลี้ยงนั่นน่อันนี้ก็อยู่ข้างวัดอุตมา แม่เขามาเขาบอกว่าเนี่ยแม่เธอนะเขาก็ไม่สนไม่รู้สึกเลยทําไมอ๋อเพราะว่าฉันเห็นแต่แตโยมคนเนี้ยดูแลเขาตั้งแต่เด็กเ้าวันเมื่ักีเ้เธอคลอดได้เก้าเก้าวัวนเอามาเลี้ยงนี่คือความความยุติธรรมของผู้เจ้ากัตตัญญูตาเป็นมงคลสูงสุดผู้รู้จักอุปการะท่านแล้วตอบแทนนะ่ะเป็นมงคลสูงสุดเราก็บอกลูกหลกหลานได้บอกใครได้ใครไม่มีอุปการะเราพ่อแม่อุปการะทั้งชีวิตเลย สมาช์ดึงบอกว่าถ้าเราจะไปนึกถึงทําความชั่วความดีอะไรต่างๆนะให้นึกถึงตัวเราตัวเรานี่คือพ่อคือแม่ทั้งนั้นเลยนะเราจะเอาเอามารดก ข, ของพอ่อแม่ไปทําความชั่วหรือว่า ง, งั้นนะถ้านึกตรงตันี้มันก็โหมันมันมากมันมันมากมานะ <c oughs> นาานะพวกเรานะถ้าไปนึกถึงว่าเออนี่คือพ่อคือแม่นะัในตัวเราเราจะเอาสิ่งที่เอาของเขาเนะี่ย ม, มาทําความชั่วอย่างเงี้ยแล้วทําความชั่วเราใครเป็นคนทํา ตัวเราทําทําใครทําพ่อทําแม่ว่างั้นพ่อแม่เป็นคือตัวเรานี่คือพ่อแม่ถ้าใครอยากกะคิดถึงพ่อถึงแม่เน้่อยากกะเห็นพ่อแม่แก็ดูตัวเราหน่อยนิดหนึ่ น, น, นี่เราคือพ่อคือแม่วางั้นนะการตอบแทนมุลคุณเราสามารถที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ข่าวข่า ว, าวต่างๆพวกเราเคยเจอเคยเห็นว่าเด็กมีความประทันยูรู้คุณนะะสมัยก่อนก็เป็นวัน ล, ลีนะัลงเวท หิงเด็กหญิงวันลีน่ารงเวศหลวงพ่อพยอมท่านเทศบ่อยนะเมื่อท่านบอกว่าจะไป ท, ทอดพระป่าที่อีกวัดหนึ่งท่านพอได้ยินข่าวนี้ท่านแวะเลยว่า ง, งั้นไม่ทอดเลยไมทอดในเด็กกว่านี้ว่า ง, งั้นนี่คือผลมันรุนแรงมากตรงกันข้ามกับทําไม่ดีกับผู้มีอุปการะได้รับโทษมากเหมือนกันพวกเราจะมีความกตัญญูกตาวีต่อใครก็ช่างที่มีอุปการะนะมีอุปการะเราพ่อแม่อันดับต้น แล้วก็ครูอาจารย์ถ้าเด็กมีความปันดูคือว่าตอบแทนครูอาจารย์เป็นไง <c oughs> ก็ตั้งใจเรียนไม่ได้ปวดเสียนเป็นเกล้าเหมือนกับทุกวันนี้เห็นไหมเออไม่ได้ปวดเสียนเป็นเกล้าเหมือนทุกวันนี้ <c oughs> อาตมาก็ไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นคนดีอะไรหรอกแต่อาตมาเป็นคนโง่เป็นคนซื่อนะหลวงปู่บอกให้ทําอะไรครูบาอาจารย์บอกให้ทำมาทั้งหมดเลยอย่างบอกให้ทําสมาธิเนี่ยกํำรลมไม่ใจนะมึงงั้นก็ทําตั้งใจทําเป็นคนฟุ้งซ่านมาก แต่ว่าครูบาอาจารย์บอกให้ทําดำทีเนี้ยทำสองวันนะพวกเราไปทำสองวันปิ้งเลยไม่รู้ปิ้งถึงไหนอะไม่รู้แต่ว่าปิ้งเลยว่างั้นเถอะพลิกเลยคนละเรื่องกับชีวิตต่างโลกเลยรู้เลยว่าไงเราจะไปทางไหนทีเนี้ยวัดแค่สองวันแค่นั้นแหละรู้ได้เลยว่าอ๋อนี่คือทางไหนทางที่เราจะควรเดินอย่างเงี้ยไม่มีคําว่าคิดถึงเรื่องอีกทางทางโลกที่ผ่านมาเลยแค่สองวันนั่นแหละ ทำไมอว่าเป็นคนง้อเคารพในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สั่งทําำแม่ก็ทำทำจนหลงผู้ท่านท่านพูดเลยนะโอ้ยเมื่อก่อนท่านเรียกท่านทวีเฉยเฉยโอ้ยท่านทวีเน่ะมันซื้อต่ําต่อเนาะว่างั้นคือมันซื้อซื้อจนจนต่อว่างั้นมันต้องมีคดป้างเจอตอต้องเลี้ยวอย่าไปเดินชนตจอว่างั้นเถอะนะบอกให้เขาทาอย่างนั้นครูพรธพระปฏิโมกเป็นคําเดียวกันเลยว่างั้นพอ ครูบาอาจารย์ก็แซวนะพอขึ้นสวนตอนนั้นเราเป็นคนคนเดียวกับอาจารย์องค์ที่เขาสอนเลยเขาเรียกว่าสอนเลยบางเงินเถอะเขาเรียกตู้งเงี้ยตู้เต้าตูเตาตเตาต้เต่าสอนวางอย่างเงี้ยเลยเออมงคกดีนันหรอกไอ้ความโงค่ความเสื่อมของเราเนี่ยนะเราอย่าคิดมากอย่าเรื่องมากอย่ามีเหตุผลเงื่อนไขทําตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมงคลสูงสุดอันนี้สําคัญมากนะพวกเรานะความกตัญญูรู้คุณเป็นมงคลสูงสุดจริงๆ เนี่ยการฟังทำตามการอยนี้เห็นไหมวันนี้พวกเราอาจก็จะได้ยนินแปลกๆลกบ้างแค่นั้นเองว่าเออมันการได้ฟังทำตามการมันเป็นมง ค, คลอย่างนี้เองเนาะอย่างเงี้ยอย่างที่มาถามว่าพวกเรารู้เรื่องไหมเลรอที่อาราธนากันเนี่ยอาตามาคุณผู้นฟังแล้วทําไมต้องอาราธนาเพราะธรรมะของพระเจ้ามันลึกซึ้งเหลือกนายากเกศน้อยปัญญายจะยังรู้อย่างเงี้ยก็ ร, รู้สียทว่าอ๋อต้องมีสรรมบุตริพรมาอาราธนา นะไม่มีใครจะมารู้ได้หรอกทามันลึกซึ้งละเอียดเหลืเอเกินอธรมาก็ไม่ได้เป็นได้ไม่รู้ทําอะไรเลยนะพวกเรานะก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะก็ยังคิดเลยนะเพราะไม่ได้เรียนหนังสือไม่เรียนนักธรรมมาก่อนไม่ใช่ไม่ได้เรียนหนังสื อ, เ ร, นนอเรียนอยู่หรอกพออ่านออกกันได้แต่ไม่ได้เรียนธรรมะมาก่อนมานึกถึงตรงเนี้ยก็โอ้โหทําไมทําไมจึงบอกว่ามันยัมีใครจะมารู้ได้ด้วยก็เราทํามากนในทํามากกันอันนี้กว่าจะมาแค่รู้รู้รนิดเดียวนะก็โอ้โหยาก นั่งทั้งคืนก็นั่งนั่งไม่ขยับก็เยื่อนนั่งจนให้มันตายก็มีทําไมมันปวดมันเจ็บอ๋อมันมันยังมีกายโยนว่างเงี้ยเอางั้นให้มันตายฉันนั่งให้มันตายฉะทําถึงขนาดนั้นพอจะมาเข้ า, ขาใจก็ปีกว่าสองปีนึงอ่นนะกว่าจะเข้าใจบ้างเลยนะ oh. ก็เลยมา น, นึกถึงอย่างเงี้ยว่าโอ้โหมันยากแล้วใครจะมารู้ว่างั้นเอาทัถ้าพปูองค์สอนคนไม่มีใครรู้แล้วศาสนาเราจะอยู่ได้ถึงขนาดนี้หรือว่างั้ น, นขนาดยังไปเคยไปกราบ เรียนลุงปู่เลยว่าปู่ครับเก้ากับผมทำไมไม่ชอบอยากจะเทศเลยครับลุงปู่ว่างั้นอันนี้มันก็เป็นพ่อ ล, ลุงปู่ด้วยเหมือนกันนะที่ต้องได้เทศบ่อยนี่นะเออเราเป็นปลาว่างั้นกินอาหารเขากินอาหารอ่าชาวบ้านเขากินข้าวปลาอาหารชาวบ้านเขาเราต้องตอบแทนเขาว่างั้นพอเรามีอยู่ควาสามารถเราต้องได้เทศว่างัน้นก็คือเหมือนกับพ่อ ล, ลุงปู่นื้อเทศวันนี้ตอนเย็นก็จะไปเทศอีกนั่นนี่นะวันนี้สองงานเพราะว่าต้อง ฉลองนาคนาคฝรั่งคู่คู่แรกของของวัดเลยแหละฉลองนาคคนพวกนี้จะบวชต้องไปแสดงอีกรอบหนึ่งพูดมันเว่อร์เว่อรเฉยหราไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันงานเยอะหรอกมันตรงกันได้เฉยหรอกเ<ม>นะีนะ่การฟังทำตามการนะเป็นมางคนสูงสุดทำไมต้องฟังเราอ่านเองเรียนเองไม่ได้หรือได้ แต่เรามีอินทรีย์แก่กล้าขนาดไหนนะอินซีย์คืออะไรคือศรัทธางไงฟังอ่านอ่านไปแล้วมันประทับใจปิ้ง ป, ง ป, งปิงปิ้งมันประทับใจแบบทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะเคยกราบเรียนครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ครับอาจารย์ครับธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันมีความมันมีความสําคัญหมดนะครับผมมันสําคัญหมดจริงๆนะครับเออสําคัญมดไม่มีคําว่าไม่สําคัญอย่างทานหนึ่งที่ว่าเนี่ย มาพูดเยอะแยะมากมายศรัทธาญาติโยมเอ่ยว่าเราชาวพุทธจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพียงใดคำว่าศรัทธาอะไรการให้ทานมันคือส่วนรวมนะไม่ได้หมายถึงพวกเราหมายถึงส่วนรวมเนี่ยนี่ยว่าคนให้ทานออ ก, กันไปซื้อหวยรวยโปซื้อลอตเตอรี่อะไรเนี่ยมันอะไรมากกว่ากันเออให้ทานน้อยกว่าซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยมากกว่าทั้งนั้นเลยแสดงว่าไม่เข้าใจศาสนารักษาศีลทีนี้น มีสักกี่มากน้อยเอาพี่น้องเอ๋ยนือรักษาศีลเ น, นี่ยเห็นไหมทั้งความเคารพ ก, ก็ดีทั้งความประตันยุก็ดีอยู่ในตรงนี้หมดเราประพฤติปฏิบัติเพียงใดเราทําจริงไหมอย่างเงี้ยถ้าทําออกไปไงไม่ผลจริงๆริงทไมพวกเราต้องรักในหลวงแม้จตมายังรักเขาคุณมีคุณธรรมในหลวงมาทําอะไรให้เราเอาเราเห็นหน้ารลองไหมไม่ไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าทําไมเรารักอ่ะก็คุณมีคุณธรรมนมะพวกเราเอ๋ย ต่างประเทศพระองค์ทรงไปทาคุณให้เขาหรือเปล่าทําไมก็รักพระองค์เราอ๋อก็คุณมีคุณนะทั้งมันเป็นอย่างนี้นี่เอ้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเชือ้อเชิญไม่ต้องมากล่าวมาเรียกมาร้องเลยนะพวกเรารักเออแปลกไหมพระองค์มีศีลไม่ใช่ศีลห้าธรรมดาเลยพระองค์มีศีลแปดรักษาศีลแปดในเวลาวันพระพอเราอ่านประวัติดูนั่งสมาธิน่ะมีคนส่งข้อความส่ง คลิปที่ฝรั่งก็ถามในหลวงอนะ่ะเป็นภาษาฝรัง่งแต่ตมาอ่านเอาหรอกนะไม่ได้ไม่ได้ฟังหรอกเนี่พระองค์บอกว่าพระองค์นะับมีความเกี่ยวข้องยังไงกับศาสนาพุทธเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงว่างั้นศาสนาพุทธสอนให้เห็นแก่ตัวฟังให้ดีนะพวกเราให้เห็นแก่ตัวว่า ง, งั้นแต่อย่าเพิ่งสรุปคําว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้นะครับ สละส่วนตัวสละของตัวเองนะสละทั้งกําลังกายกำลังทรัพย์ของพระองค์นี่ยนะเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นท่านว่าอย่างเนี้ยเป็นการสร้างบารมีไงคํานี้นี่ปิ๊งใช่เลยทันทีเลยโปร่งสร้างบารมีถ้าบอกไม่สละ ส, สิ่งของไม่ช่วยประสงค์ในก่อไม่ลําบากลากําบนพระองค์จะได้มีบารมีได้ยังไงเลิกขนาดไหนพวกเราบอกโอ้โหจะพูดถึงเรื่องของบุญแล้วพวกเรานี่บุญมากมายมหาศาลแต่ว่าพวกเรารักเฉยๆนะ ส่วนม่อกันนะรักทําไมต้องบอกว่ารักอธมาไม่ใช่พูดตอนนี้นะมาพูดเป็นหลายๆสิบปีแล้วเออรักในหลวงรักในหลวงเอาคนรักกันมันทําไมไม่ปฏิบัติกันเคารพกันอ่ะเคารพท่านรักท่านก็ปฏิบัติตามอ ว, ว, วาตตของพระองค์ที่ซึ่งมีมากมายมหาศาลนะแล้วล้วนแล้วแต่นําพระธรรมคำสอนพระเจ้ า, า, า ไ, ปไปไปตรัส้วยนะเออให้มีความอดทนให้มีความสามัคคีให้มีความอ่าปริยัติอย่างเงี้ย ให้มีความขัดตานอยู่โอ้โหมีพร้อมไปหมดเลยนั่นแหละทำไมตึงรักนี่คือมีเป็นของจริงพวกเราของจริงมันเป็นอย่างนั้นของจริงอะไรคือปฏิบัติธรรมรู้แล้วปฏิบัติอย่างเขาถามสมเด็จพระนางเจ้าเราพระสมเด็จพระนางเจ้าท่านตอบว่าพระสวามีของข้าพเจ้าเนี่ยทำสมาธิกหนดลมหายใจนะ่ะเป็นเวลานานๆว่นานงั้น ข้าพเจ้าทำยังไม่ได้ข้าพเจ้าต้องอาศัยสวดมนต์สวดพรยังพอสงบได้บ้างเหมือนกันอูย้ยพวกเราเอ๋ยขนาดพระองค์มีบุญมากขนาดนั้นแล้วพระองค์ยังไม่ห ย, ยุดที่จะสร้างสร้างกุญญามความดีการสร้างกุญญามความดีก็ไม่ได้ยากอะไรเลยทําไมอ๋อพราะมีประธรรมคสอนของพระเจ้าวางไว้ให้พวกเราทำตามแค่นั้นเองไม่ต้องคิดนี่เราไม่ใช่เป็นพุทธเจ้ า, ามาวาง่ายง่ายนะพวกเรานะง่ายเราไม่ได้เป็นคนทําถนนหนทางเลยเราเป็นผู้เดินเฉย เราจะเดินหรือเปล่าเห็นนั้นเองถ้าเดินล้วก็ถึงจริงๆแล้วก็สะดวกด้วยการจะเดินเดินทางในทางความดีเนี่ยนะสะดวกด้วยไม่ได้ลำบากเห็นไหมถามว่าลำบากตรงไหนเอา้าลองดูเอา้าอาจจะมาพูดดูจุดคำานึงนะพวกเราอาจจะอาจจะขัดขัดใจนิดๆนะทำง่ายได้มากทำยากได้น้อยพวกเราทำสมาธิเนี่ยรักษาศีลเนี่ย นะทําง่ายนะทำถามว่าถ้าเราไม่รัก ร, รักษาสิ่งห้านี่เราจะอยู่ได้ไหมอย่างพวกเราเนี่ยเอออาชีพเราก็ไม่ใช่เป็นพวกฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นชาวประมงที่ต้องเล่าเว้นจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมยอยู่ได้ไหมเออก็อยู่ได้เราไม่คดไม่โกงไม่ไปลักไปชอบเราอยู่ได้ไหมเงินเดือนเราเท่าเนี้ยอยู่ได้เรามีสามีภรรยาคู่เดียวผู้หัวตัวเมียผู้เดียวเนี่ย อยู่ได้ไหมก็อยู่ได้มันก็ไม่ได้หนีจากก็ยังอยู่กางมงคลอยู่ก็ยังมีคู่รักคู่ครองอยู่เราไม่โกงหกหมดเทียสอเจ็ดนินทาว่าร้ายสำราญเพร์เจรเราอยู่ได้ไหมมันได้เราไม่เสพของเมือนเมาอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แล้วทำไมจะรักษาไม่ได้เ๊นะถ้าคิดอย่างนี้นะตั้งใจเถอะมันจะเป็นบุญทีเลยแล้วบุญมันย่อมส่งผลถึงการดำรงชีวิตใช่ไหม ใครก็พูดใครก็กล่าวใครก็พูดว่าอุ้ยเขามีบุญเนาะก็เกิดมาในกองเงินกองกลข้ามีบุญเนาะเขาทําอะไรก็จะเริ่รุ่งเรืองก็มีบุญเนาะเขาได้ยศได้ตาแหน่งสูงพวกเราพูดใช่ไหมใครก็พูดเออในเมื่อรู้ว่าได้พระบุญก็สิ่งที่มันเป็นบุญก็มีอยู่แล้วนะทานศีลภาวนาแต่ว่าอาตมาบอกว่าที่มันได้บุญเยอะก็คือพวกเอามาภาวนาแล้วนะมันจะหมดเวลาแล้วนะ ที่พูดไปมากมาเนะี่ยทําจะทําได้ไม่ได้มนอยู่ที่ภาวนานะทําไมถึงบอกว่า <c oughs> ทําง่ายได้มากทำยากไดน้อยนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจมันได้ลงทุนลงแรงที่ไหนเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องหาอุปกรณ์ไม่ต้องดิ้นรนหาอุปกรณ์มันมีอยู่แล้วลมหายใจเนี่ยนะโอ้ยมันจะอริดอร่อยนะพวกเราลมหายใจเนี่ยนะเอออริดอร่อยมาก อยากจะให้เห็นตอนไหนตอนพวกเราเหนื่อยมาเนี่ยถามนักกีฬาดิที่เขาวิ่งนักมวยนี่ยเขาหยุดพักเขาหายใจนะั่นหายใจ ย, วยาวๆนะไอพี่เลี้ยงนี่หายใจแทนนะพี่เลี้ยงเลยนะพี่งแล้วกหายใจแทนเลยเมื่อวานมึงเอินเจอเจอนักมวยคนหนึ่งบัวขาวเออเห็นเขาแวบหนึง่งจะไปเห็นไอพี่เลี้ยงเขานะ่ยพราะเาติดป้ายชื่อเสื้ออะไรใส่เสือเนะ้อกันเน่ะเออเห็นบัวขาวไปถามเขาดูดิ่นน่ยนะเนี่ยเขา เอามือประสานกันแล้วก็หายใจยาวๆสดชื่นอัตมาเป็นหมดทุกอย่างนักมวยก็เป็นนักกีฬานักฟุตบอลเป็นหมดนักร้องนักดนตรีเป็นหมดแต่นักมวยนี่หนักมากนักฟุตบอลก็ไม่หนักเท่าทําไมเพราะชี้เกียรวิ่งก็ได้เนี่วิ่งไปวิ่งชี้เกียรวิ่งก็ได้มันเหนื่อยแต่นักมวยนี่เราหยุดเขาไม่หยุดเลยดิไหมพอหยุดหายใจนะมันมีความสุขนั่นแหละอยากจะเห็นว่าคุณค่าของเราายใจะอยู่ตรงนั้น ถิ่นถ้าเราไปรู้นะมันเสียเวลาไม่ไม่ได้เสียเออที่มันเสียเวลาที่จะทําจิตที่สง่งมันไ ม, ไม่ไม่มีพลังสมาธิเราไม่มีพลังกิจมันทํางานทั้งวันไม่หยุดไม่ย่อนทำไม่หยุดไม่ย่อนทําจนกระทบอะไรก็แม่ทําไมอ๋อเพราะว่ามันไม่มีกําลังเออไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆนิดๆแต่ น, น้อยมองงดนิดๆแต่ น, น้อยอกระเทือนหมดเลย นี่เห็นไหมบอกเห็นบอกว่าเห็นไหมที่บอกว่าทําง่ายได้มากคือไม่ต้องลงทุนลงแรงไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องวิ่งหาบุคคลที่สองหรือสิ่งที่สองล้มให้เจ้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วนะเสียเวลาไหมไม่ได้เสียวเวลาอตมามาเที่ยวที่แล้วนะอสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปพักวัดทีนี้ตัวเองก็เหนื่อยฮะไม่มันก็เดินทางแล้วมันจะเหนื่อยก็เลยว่าเออเราก็ไม่ค่อยได้พัก คือมันนอนน้อยอยู่แล้วปกติน่ะนะนอนก็นอนตั้งสามทุ่มสามทุ่กว่านอนคิดว่าจะนอนพักอุ้ยนอนไม่ได้เลยนอนนานไม่ได้ไงทําไมนอนนานอ๋อสติมันไม่มีมันฝันไปทั่วนั่นน่ะมันฝันไปโอ้รู้ทันทีว่าโอ้เราต้องอยู่กับสมาธิไม่เอาแล้วไม่นอนแล้ววันที่สองก็ไม่เอาไม่นอนนอนก็นอนนิดหน่อยตามปกติพอกลับมาหาที่เดิมเอ้าสดชื่นพวกเราเห็นครูบาอาจารย์ไหมว่าทําไม อ้าไม่ไม่ต้งเห็นครูบาอาจารย์เห็นในหลวงนั่นแหละในหลวงทางานมากขนาดไหนมากกว่าครูบาอาจารย์อีกทําไมไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเนี่ยน่ะอาตมารู้โปรติเลยว่าอ๋อพระองค์มีสมาธิมีสมาธิมันเป็นอย่างนั้นไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทําไมเอ้ามันได้พักนี่คนเราพักว่างั้นเถอะหยุดพักแตทํางานได้สบายทํำได้งานได้ต่อแต่จิตใจมันไม่เคยได้หยุดพักคือไม่หยุดน่ะน่ะหยุดการเคลื่อนไหวน่ะนี่ถ้าเราอยากจะเอาบุญเราก็จะได้บุญ ทำไมอ้อภาวนาใหม่บุญจะประดิษการเจริญภาวนามากกว่าให้ตาหนีพันครั้งอีกต่างหากจัดงานอย่างเนี้ยยังไม่เช้านี่พันครั้งนะถึงจะได้กันเท่ากับทําจิตให้สงบเพียงครั้งหนึ่งศีลล่ะศีลก็ยากกว่าภาวนาทําไมต้องบอกว่ายากท่านบอกว่า ง, ง่ายนี่มันยากกว่าไงต้องทําไมอะ่ะเอามันต้องมีบุคคลที่สองการที่เราจะฆ่าสัตว์มันต้องมีสัตว์ให้เห็นก่อนใช่ไหม เห็นอดทนดกันเอ้ยไม่เอาไม่ฆ่าเห็นไหมต้องเห็นมันต้องมีแรงจูงใจเออมันมีแรงจูงใจถ้าอยู่ใช่มันก็ไม่มีปัญหาอันนี้มันต้องมีเออมีศินก็เพราะว่าเราไม่ฆ่าอย่างเงี้ยฆ่าใครเปิ๊กต่ตบุคคลที่สองที่รักทรัพย์รักทรัพย์ของใครก็บุคคลที่สองของคนอื่นเห็นไหมออมีข้อเดียวเ ท, ท่านั้นที่แต่มันก็ยังมีวัตถุอยู่ดีอย่างอย่างข้อที่ห้าเนี่ยการเสพของเหมือนมองมันก็ยังมีสิ่ง ที่สองอยู่เหมือนกันก็คื อ, อยาเสพติดเห็นไหมทำง่ายได้มากทำยากได้น้อยพวกเราเห็นไหมที่ไปพากันไปทำบุญนะเก็ดวัดเก้าวัดเดินทางกันมากมายแต่กองต้องหาบุคคลที่สองด้วยหาบุคคลที่สองก็คิดว่ามันได้บุญน้อยนะบางทีนะศรัทธาญาติโยมผู้ที่เป็นคนมีความรู้มากนี่แหละผู้ใกล้วัดนี่แหละอยากนีมนุกุบาอาจารย์มาวัดแต่มาบ้าน แต่เจาะจงนะอันนี้เป็นความรู้นะฟังให้ดีนะคออนิมนต์หลวงปู่องค์นั้ด น, นดังหลวงปู่นี้ดีหลวงพ่อองค์นั้นสวยหลวงพ่ อ, องนี้งามในเรื่องศีลือเรื่องธรรมมาทําบุญที่วัดออมาทำบุญที่บ้านนิมนต์เ้าวัดนิบนเก้าองค์มีแต่ขุปปาจานนิดีทั้งนั้นเราแล้วก็ถวายสังฆทานพิกขุสังฆสากว่างั้นแต่ความจริงเป็นไงเราเจาะจงหรือ ย, ยัง เราเจาะจงแล้วเจาะจงพรเรียกอะไรก็เรียกปาติปุคลิกทานบุกให้ทานแก่บุคคลแค่นั้นเองแล้วถามว่าเราะจะอ่าถวายแกสงได้บุญไหมเท่าสงเท่าสงเสียรูปไหมเอาไม่ได้ยังไงก็พระสงฆ์ท่านมีแต่ผู้บริสุทธิ์มีแต่ผู้เป็นเป็นเนื้อนาเนื้อนาบุญเ อ, อ้าเราให้เป็นทานเป็นบุคคลไปแล้วปาติปุคลิกทานสังคทานปแปลว่าให้แก่พิกษุสง์ตั้งแต่เสียรูปขึ้นไป พวกเราก็รู้ว่มันได้บุญเยอะใช่ไหมเขาก็รู้แหละว่ามันได้บุญเยอะแต่เขาก็เรียกว่าอ่าความโลภมันมากไปยังไงต้องพระที่สงก็สงบริสุทธิ์จริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าใจจริงอะคือเจาะจงแล้วเขาเรียกว่าปาติปุกิษทานสงมันมีอยู่เจ็ดประเภทนั่นนะพวกเราเจอ อ, อันนี้เป็นความรู้หรอกไม่ค่อยพูดสงมีเจ็ดประเภทประเภทตหนึ่งก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วมีภิกษุสง กับภิกษุนีสง์เป็นบริวารในบุญเยอะบุญมากมหาศาลแม้แต่ธาตูสิ่งก็ยังบุญมหาศาลเลยนะนะประเภทที่สองก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็มีภิกษุสง์เป็นบริวารไม่มีภิกษุณีสง์ประเภทที่สามก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานกับภิกษุณีสง์ไม่มีภิกษุสง์อย่างที่สี่ก็มีมีพุทธเจ้ามีแต่ภิกษสุสง์และภิกษุณีสง์อย่างที่ห้าก็คืออ่า ร, นะร้องขอต่อสงอนะ ร, ร้องขอต่อสงให้อืจาจย์พูดผิดหรือปล่าอย่างที่ห้าไม่มีมีแต่ภิกษุสงไม่มีภิกษุณีสงอย่างที่หกมีแต่ภิกษุนีสงไม่มีภิกษุสงอย่างที่เจ็ดร้องขอต่อสงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปรับสังฆทานเพราะงั้นชาวบ้านเขาไม่มีพระนี่นี่มณพระองค์หนึ่งไปรับ แต่เขากล่าวเป็นสังฆทานนะพระองค์นั้นต้องได้มาแล้วไม่ใช่เป็นของท่านคนเดียวนะต้องมาอุปโลกอย่างที่ท่านกล่าวเมื่อเช้าเนี่ยยักษเทพันเตสั้งโคชาณตุอะยังปัรมภาคโคเทระสะข่าแต่พระสงค์ผู้เจริญอัยางไประวัต น, นี้ของสิ่งนี้ข้าพเจ้าขอเป็นผู้สมมุติตนเป็นผู้แจ ก, กเทระสะเทสมหาเทระเทระภิกษุสามเนรราจด้วยภิกษุด้วยสามเณรด้วยกหัตถาจะ ก็หัดครพหัดด้วยเห็นไหมจงรับสิ่งเหล่านี้ได้ตามความพอใจเห็นไหมพวกเรากินก็ไม่เป็นบาปทําไมอ๋อเพราะว่าท่านอุปโลกแล้วท่านทําท า, ทางทางกรรมเรียบร้อยแล้วท่านอนุญาตแล้วเห็นไหมนี่คือสงที่บอกว่าทําบุญได้เยอะไม่ใช่ว่ามีแต่พิสูจน์สงแล้วได้บุญมากกว่าทําบุญกับพระเจ้าไม่ใช่ทําบุญแก่สงมันได้มากหาประมาณนิได้เลยแม้ ต่อไปเนี้ยาศาสนาเราก็จะเสื่อมมีลิงคะลิงคะคือมีเฉพาะอาเพศนักบวชก็มีผ้าแขวนคอว่า ง, งั้นมีลูกมีเมียปกตินี่แหละแต่ว่าเขามีสัญลักษณ์คือผ้าแขวนคอเป็นสีเหลืองว่า ง, งั้นนะทำบุญกับพวกเนี้ยประทำบุญแก่เป็นสงนะอุทิศแก่สงยังหาประมาณมีได้ทันว่า ง, งี้นะพวกเราเออต่อไปนี้ ถ้าจะบอกว่าทําบุญสังฆทานอยากได้บุญเยอะอย่าไปเจาะจงมันอยู่ที่เกีตนาของพวกเราแล้วนะหลายปีมาแล้วต่ไม่นมาก็ยิ้มเลยนะเขาก็ได้บุญเรไปเหมือนกัน อ, อไม่ว่าพระดีหรอกมันจะ ม, มันชื่อมันดีเมื่อเช้าได้ชื่อดีมดเลยนะหลวงปูบ่บุญมาบุญมีหลวงปู่บุญทวีเออไม่ดีชื่อบุญดีๆทั้งนั้นพวกเราเห็นบุญกันเลยวันเนี้ยเมื่อเช้านี้นะเจ้นี้ก็เห็นอยากเห็นบุญก็มองมาเลยนี่นี่แหละคือบุญจริงบุญทวีด้วยนะ เออนั่นแหละอย่าไปเจาะจงดังนี้เป็นต้นนะอันนี้การภาวนาเนี่ยเนิดอีกนิดอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ถึงชั่วโมงนะตมาจะบอกว่านะเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ถามมาถามตมามว่าภาวนายังไงยังไงนะแล้วมาตมาก็จะไม่ถามพวกเราด้วยเพราะว่าถามมาแล้วยังไม่มีใครมีความพิดเหน็นแตกต่างจาก ความที่สิ่งที่มาถามมาถามมาถามว่าถ้าจิตมันไม่สงบเนี่ยถามเลยที่ว่าเป็นจิตใครทุกคนก็ตอบว่าจิตเราเอา้าทําไมบอกว่าเรามันต้องการสงบอาจารย์บอกให้ทําความสงบใช่ไหมใช่แล้วมันทำไมไม่สงบในเมื่อมันไม่สงบแสดงว่าไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราแล้วเราจะปะสนใจใส่ใจเขาทําไมไม่ใช่เราได้ไงอาจารย์ เ, เราชอบสุขหรือชอบทุกข์ทุกคนก็บอกว่าชอบสุข ท่าสุขหมดสุขกับทุกอันไหนมันมากกว่าการ น, นะทุกมากกว่าอันนี้ก็ร้อยอร์เซ็นนะทุกมากกว่างั้นแล้วใครนำทุกมาให้จิตเราเอ้ามันจะไม่ทรยศกันหรือแต่ว่าจิตเราเราเอาความทุกข์มาให้ตัวเองนนะ่ะเอาสิค้ามดูนะพวกเราเรื่องฟานภาวน า, นานเนี่ยเอ๊ถ้ามันเป็นเรามันต้องสั่งได้สิแต่ถ้ามันไม่ใช่เราแล้วเขาสั่งทาไมเราจะต้องไปเชื่อเขาด้วยอะ่ะ โกรธเจลิจจังมันดีไหมเนี่ยมเมื่อกี้นายโยมถามว่าจะรักษาธารขันยังไงอาจารยนะ์เขาพูดเมื่อกี้นะี่นะรักษาธรรมชาติหรือไม่ว่าน่ยนะรักษายังไงคุณจะทําลายธรรมชา ต, าาคาาชาติคือถ้าเราไม่ไปทําลายเขาในร่างกายเราเนี่ยเขาก็จะปกติเขาจะอยู่ได้ยืนนานทําไมใครเป็นคนทําลายยึดใจเราไงเครียดเป็นไงพวกเราเป็นโรคกระเพาะเครียดเป็นไงเป็นไมเกรนเครียดเป็นไงหน้าดําหน้าแดงร่างกายสุดโจมนั่นแหละเราไปทําลายธรรมชาติ เราอยากจะอายุยืนหน้าตาสดสวยมันพวกเราเนี้ยที่มีคนมีบุญมีแต่หาตาดีทั้งนั้นเนี่ยเนาะเนี่ยให้รักษาธรรมชาติรักษาจิตเราอย่าไปทําลายเขาเอออย่าไปเครียดให้เขาทุกข์แล้วใครทุกข์กับเราเนี่แหละทุกข์ที่บอกว่าจิตเราเราชอบสุขหรือชอบทุกข์ตอบเป็นเสียงเดีวยวกันว่าชอบสุขสุข ก, กับทุกข์อะไรมันมากกว่ากันทุกวันเนี้ยทุกข์มากกว่าแล้วใครนําทุกข์มาให้จิตเราโอ้ยมันก็โกหกกันเปนทีเลยเดใช่ไหม ก็บอกว่าชอบสุขแต่จิตนำทุกมาให้ไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยนี่คือการอบรมจิตนะอีกอย่างหนึง่งถ้ายังไม่เชื่อไม่ชัดถามเมื่อกี้ก็ถามถามว่าคุณนอนคุณเคยหลับคุณเคยหลับนอนหลับไหมครับเคยฝันไหมฝันจำได้ฝันจำได้บ้างจาได้ไม่ได้บ้างไม่ฝันเลยก็มีสามการนี้ใครเป็นคนบอกใครเป็นคนฝัน คิดเราคิดเป็นคนฝันคุณตั้งใจฝันหรือฟังให้ดีนะพวกเราเราตั้งใจฝันไหมไม่ได้ตั้งใจเอ้าวล้ไไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าเราได้ยังไงทีเนี้ยไม่ใช่เรานะเออไม่ใช่เราแน่นอนร0อเปอร์เนเลยทำไมอะ่ะเอ้าเราไม่ได้ตั้งใจฝันนี่ตั้งกีคิดก็ไม่ตั้งใจคิดอยากจะสงบมันทำไมไม่สงบมันไม่ได้ตั้งใจเลยแต่มันมีพูดรู้อยู่ใช่ไหมมีขนาดเขาเอายาสลบ ให้เราคิดยาสรุปเราเนี่ยเรายังรู้เลยน่ะว่าเราสรบไม่รู้เรื่องเอ้าไม่รู้เรื่องจะรู้ได้ยังไงว่าฮะไม่รู้เรื่องเลยหลับสนิทเลยนะใครบอกว่าหลับสนิทนั่นฮะโอ้ยเมื่อคืนหลับสบายเลยหลับแล้วยังรู้ว่าตัวเองหลับนี่แหละพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าพระองค์งตรัสรู้ได้เนี่ยทุกคนก็ตรัสรู้ได้หมดเลยนะเมื่อกี้ก็เข้าห้องน้ําแต่เรื่องนี้เป็นรู้มานานเข้าใจมานานเออไม่ใช่รู้ไม่ใช่ลู้ก็โทษ เห็นอุเห็นความสกปรกไม่ออกจากตูดเราไงรังเกียจไหมทั้งเหม็นทั้งรังเกียจแล้วมันออกจากไหนจากเราอ้าวพอออกจากพ้นตรงนั้นทําไมไม่เห็นน่ะมายังมาแต่งหน้าแต่งตาอยู่โอ้ยผู้หญิงยิ่งแต่งเยอะแต่ทําไมไม่เห็นความสกปรกริงๆพวกเราเนี่ยเห็นไหมน้ําตาน้ำลไรมันไหลน้ํามูกมันไหนสกปรกมาจากไหนมาจากตัวเรา แต่ทำไมไม่เห็นนี่แหละสิ่งหนึ่งหลัที่พวกเราจะบูชาพรุทธเจ้าบ็ ด, ดีบูชาเริ่ดถึงในหลวงเราก็ดีปฏิบัติจริงเธอพวกเราปฏิบัติเธออาตมามีความรู้น้อยจริงๆแต่ว่าเป็นเจ้าวาดวันีหนึ่งเป่งถ้าบอกแล้วพวกเราจะไม่ศรัทธาจะไม่อยากจะศรัทธาเลยอายุก็ น, น้อยความรู้ก่อ น, น้อยแต่ทําไมจะไม่ให้มาบริหารวัดใหญ่ขนาด น, นี้พราพวกเราอาจจะไม่ศรัทธาเอาแค่ว่า ทำตามคํำสอนของพุทเจ้าเขารักเขาชอบโบราณพวกเราชอบของเก่าใช่ไหมของเก่าดีไหมดีมดทุกวันนี้ภาควิชาการเรียนเป็นเอแผนการเรียนการสอนใหม่เด็กก็เลยไม่เจ๋งไม่ฉลาดไม่ใช่เฉพาะเด็กนะแม้แต่ระดับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยลดลงเยอะมากที่เขาส่งผลแล้วแสดงว่าพวกเราทิ้งของดีใช่ไหมของเก่ามันดีเออ ของเก่าน่ะมันดีแล้วอะไรเป็นของเก่าพุทเจ้าเก่าขนาดไหนอ่ะสองพันกว่าปีีรับนักปราดบัณฑิตทั้งหลายนะต่างประเทศก็ช่างใครก็ช่างนักปราดจริงในโลกในประเทศไทยเราก็คือในหลวงเราเนี่ยทำไมพระองค์รักเคารพในศาสนานะไปกราบหลวงปู่เนี่ยกราบหลวงปู่เสร็จหลวงปู่ก็ปูพรมนะแต่มากราบพระถวายของพระนี้พระองค์ไม่ได้เดินพรมเลยนะคานเข่ากับเสือเหลืองๆนี่แหละ ท่านเขาด้วยความนอบน้อมพนมมือว่าพระมีกี่องค์ถ้าพระองค์จะชมพรง ก, ก็ชมวัดนี้เรียบร้อยดีเนาะพระวัดนี้เรียบร้อยดีแต่ถ้าพระวัดไหนที่ไม่เรียบร้อยหรือดูไม่ฉลาดท่านว่าไงถ้านไม่บอกว่าพระไม่เรียบร้อยนะพระท่านดูขี้เลยจังพระท่านไม่ดีไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะถามตอบถามว่าตรัสว่าลุกศิษย์ของท่านดูไม่ฉลาดนะว่าไงโอ้ ึกซึ้งมากนะพวกเรานะธรรมารอยู่ถ้าไม่เจอถ้าไม่ได้บวชนะถ้าไม่อยู่กับหลวงปู่ธรามาก็ไม่ได้เห็นพระองค์หรอกนะเห็นพระองค์ทุกปีพระองค์ถวายของด้วยความงดงามมีอยู่ปีหนึ่งสามเมเนไม่มีผ้ารับของผลิตพระนางเจ้าพระองค์ก็ทรงเอาผ้าจากกระเป๋าพรองค์ให้เนนรับยอดไหม ถ้าเป็นไงทีเนี้ยเราอย่าเอาปลายมาพูดเราเอาต้นเหตุของพระองค์ที่ว่าบอกทําไมคนรักมากงายมหาศาลเหลือเกินอ๋อเพราะว่าความดีนั้นมันไม่ได้ปกปิดกันไม่ได้ความชโชคก็เหมือนกันนะความชโชคก็เหมือนกันนะไม่ว่าผู้เล็กผู้น้อยผู้ใหญ่จะปกปิดไม่ได้เป็นเองอัตโนมัติเหมือนอย่างที่พวกเราไปอ่านิมนต์ครูบาอาจารย์มาขุดมาจากถ้ำจากเหวจากที่ไหนที่ไหนเราคิดว่าครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติดี ท่านไม่ได้ปฏิบัติดีกว่าครูครูบาอาจารย์หรอกไม่ได้ปฏิบัติดีกว่าผู้เจ้าหรอกทําตามผู้ทีเจ้าเัลื่นึ่งที่บอกคาราโบจะนี่วาโตจะนี่แหละเคารพแล้วประพฤติปฏิบัติตามการความรู้ ร, รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเกิดจะเกิดผลอาจมาจะพูดบ่อยนะเพราะมันเป็นของเก่าเรารู้แล้วเราประพฤติปฏิบัติตามทานใครไม่รู้ศีลใครไม่รู้สมาธิเป็นของที่ทําทได้ง่ายตลอดเวลาวันนี้ก็เลยขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าให้มันเป็นหน้าที่ได้ไหม ตั้งหน้าที่ขึ้นมาอีกหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่ทําสมาธิก่อนจะนอนก็ดีชักชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ชักชัก่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยว่าเออเป็นหน้าที่ของเรานะหน้าที่อะไรเออหน้าที่หยุดคิดถ้ามันจะคิดโอ้ยคิดมาทั้งวันแล้วอันนี้มันไม่ใช่เวลาอันนี้มันกําลังทงาํางานาอะไรงานอะไรงานหยุดคิดเออไม่คิดอะไรกันนะกจินข้าวก็คิดคิดไม่คิดยังไม่พอนะยังคุยกันอีก ล้างผ้อยล้างจามปัดกว่าที่ตัวอ๋อคิดไม่หยุดไม่หย่อนเวลานี้จะเป็นจะเป็นเวลาคิดอย่างเงี้ยโกรธจริงๆนะโกรธจริตนะะเบื่อนายเขาเห็นอย่างนั้นมันเบื่อนายเลยโอย้มันไม่ใช่มันทรยศเรานี่หว่าอย่างเงี้ยเออจริงๆไม่ใช่เราแล้วเราไปรวบเอามาเป็นของเราเฉยแต่เวลาเขาอยากจะทำํำเขาทำตามของเขาเองนะไม่ได้แชร์เราสักนิดเลยนะไม่ได้ไม่มีามารู้สึกหรือสา ก, กับพวกเราเลยนะเวลาเขาจะทํานะ ให้ฆ่าตัวตายก็ใครเป็นคนฆ่ามาถามหน่อยใครเป็นคนฆ่าตัวตายนะฮะจิตเองจิตเขานั่นเนี่ยไม่มีใครหลอกสั่งหลอกแสดงว่าไม่ใช่เราแล้วนะถ้าเป็นของเรามันต้องสั่งได้ว่าฟังฉะนั้นการที่จะฝึกฝนอบรมจิตหรือว่าการที่จะบูชาพระเจ้าก็ดีบูชาในหลวงเราก็ดีขอให้นําพระธรรมคําสสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระโอวาทกองในหลวงพวกเรารู้มั่วไปศึกษาที่ไหนก็ได้แล้วป ร, ระพฤติปฏิบัติจริง อันความรู้รู้ก ร, ระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชานเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดโชวฟูสกลถึงบนดนพงไพรคงได้ดีเห็นไหมเห็นไหมไม่ต่อละพูดเพิ่งพูดมาไม่ไม่นานนี่เองมันซ้ํากันนะวันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาแสดงทําให้สทายาติโจมซึ่งพวกเราก็เป็นนักปราบัณฑิตทั้งหน้าแต่มาก็เป็นพระผู้น้อยนะแล้วก็ขอบอกก่อนว่า <c oughs> บวชมาแล้วได้สามสิบสามสิบสาม ปีสามสิบสามปีสามสิบเดพรรษาก็อยู่กับครูบาอาจารย์บงคนก็ถามว่าท่านทันหลวงปู่ไหมห้วยแก่ไปนี้ทำไมจะไม่ทันวะเนื้อมงดูได้ไงดูไงว่าท่านแก่ท่านท่านทันหลวงปู่ไหมใครก็ถามว่าทันหลวงปู่ไหมบางทีก็ไปยืนถามยืนเท้าเสีเอ๋ถามแล้ท่านท่านเจ้าวาดอยู่ไหมนะก็มันมีป้ายเขาป้ายป้ายเก่าๆเขามาติตวอาป้ายกุฎเจ้าวาดงเงี้ยเขาก็คิดว่าเราเป็นพระอุปถัมภ์ไงก็ไม่รู้ เจ้าวาดอยู่ไหมอยู่มีอะไรกับท่านนะโอ้จะมาทําบุญกับท่านจะมาพุทธศาสนา <อะ S 2> งั้นก็เชิญพอไปนั่งแล้วก็เออเออเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อทำไมาไปนั่งเก้าอี้เจ้าวาด <c oughs> <c oughs> เยอะมากนะ <c oughs> ก็กลัวศรัทธาญาติโยมไม่ศรัทธาไม่ใช่อะไรหรอกว่ามันบวชแต่น้อยมันก็เลยดูว่าดูไม่คลั่งเท่านั้นเองวัดป่าเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยพระที่อื่น พระที่ภาคอื่นเข้าไปนี่นเขาบอกว่าไม่ไว้ใจมันหรอกพระวัดป่าว่า ง, งั้นดูหน้ามันเด็กๆแต่มันพันธามากว่า ง, งั้นเออต้องถามก่อนนะบวชมาสามสิบสามปีนะบวชแต่น้อยไม่ผ่านประสบปปการณ์ทางโลกแต่ยี่สิบปีนละนะเป็นนักร้องนักดนตรีนักมวยนักกีฬาเป็นมดทุกอย่างสุราบุรีนารีไม่เจอนารีนี่ฝันไม่เป็นเลย เออนั่เป็นไปได้ไงกินเล้าไม่มีนารียไม่เคยผ่านมันก็อาจจะมีบุญนะเพราะบุญทวีใช่ไหม อ, อ่าท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากว่าสิ่งต่างๆอันเราเข้าใจว่าเป็นของดีมีค่ามหาศาลนั่นของเขานี่ของเรามาช้านานแต่โบราณสอนกันมาว่าอย่างนี้ <c oughs> กองวัตถุถูกกลมมด้วยล่มหลงต่างประสงค์พิศวาสธทาตุทั้งสี อันศิลธรรมนำชนเป็นคนดีกลับเหยียดหยามย่ำยีเบียนบีทาความเร่าร้อนจึงแผ่ไปไม่สิ้นสุดเผาไหมใจมนุษย์จนสุดล่าพระสัลธรรมนำทางเขาวขว้างปาก้อนศิลาดินแดงกลับแย่งกันสิ่งต่างๆสิ่งไหนหรือก็คือธาตุเห็นประหลาดหน้าพวง์ตรงไหนนั่นเขาปรุงแต่งแปลงไปให้หลากพัน รู้ไม่ทันจึงพ่ายแพ้แก่ใจตัวสิ่งต่างๆอันใครได้มาเห็นแท้จริงเป็นของกลางวางไว้ทั่วยืมมาใช้แล้วคืนเขาอย่าเมามัวมาแต่ตัวอย่าพึงตูว่าของตนหากมาหากมันมองให้เห็นเป็นธรรมชาติจักสามารถหมายสมัครในมรคลไม่ยึดมั่นในอัตตาทั้งสากลอริยชนอยู่ไม่ไกล จากใจเลยสเสลิญนพร